อย่าไปอยู่แล้วนะเลยอย่าไปอยู่เัาเก่าให้ประกันค้นคว้าดูตำหรับตำราเขาไว้ต้องมีความรู้ติดตัวนะพุยอยู่กับพระพุนนษษทธาจรในพระศาสนานี่เพราะฉะนั้นก็เอาตัวรอดนะ นอกจากเอาตัวบนอรอกแล้วก็าหากว่าอยู่ก็ได้ก็บําเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นมาได้แต่อ เ, อเอาตัวรอดผู้เดียวทั้นทามีความรู้แล้วอย่างนี้แสดงความวรู้ความสามารถให้ปรากฏในสังคม พ็ยอมมีคนนับถื อ, อคนนิมนตก็ได้บมเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอ ย, อย่างนั้นเ็ราะฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจอย่าไปเกียดค้านดูต้งหลักตำลาแต่มาอยังหนุ่มยังแน่นตาก็ยังดี รู้เข้าไปหลายาลครั้งเราจะไปอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่สนใจความรู้ให้กว้างออกไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์กว้างขวางนะเพาว่าอย่างนั้น วนันก็เหมือนกันเราต้องดูวนันมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามไปเรื่อยๆเพราะวีันมันมีสามเล่มเนาะให้มันรู้เรื่องการทำสนกคมต่างๆ ถ้าเราไม่ดูไม่รู้เรื่องเวลาสังกัดกรรมนั้นมาถึงเข้าก็ทำไไอะไรทั้งดูด้วยแล้วก็ทั้งท่องเอาคำสวดสมมุติหมคคำสวดสมมุติสีมาหมูนี่นะ คำสรวจคำอพโลกก็ต้องดูอยว้วก็ในก ร, รมอื่นๆการอุปสมบทอะไรพวกนี้นะเราต้องดูให้เข้าใจให้เผื่อว่าเป็น ผู้เล็กผู้ใหญ่นานไปไปได้เข้าใจวิธีการบวชนี่การสืบศาสนาเนาะ่ยมันก็ต้องต่อกันไปเรื่อยๆ เ, เราจะไปนึกว่าไอเราผู้น้อยคนผู้ใหญ่ทำแล้วก็แล้วไปเราก็ไม่สนใจสืบต่ออย่างนี้มันไม่ได้ กันเมื่อไม่มีผู้ใหญ่แล้ววันนี้นันหากว่าเราอยู่มั่นคงต่อไปเม่งานสังกก ร, รมอย่างนั้นมาถึงเข้ามันก็ทำกันไม่ได้เลยมั น, นงงกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องสนใจกัน น้องปู่นี่จังแต่ยังหนุ่มยังแน่นโอ้สนใจเรื่องธรรมเรื่องวินัยต้องดูทำหลับทำลาเรื่อยทำําใน น, านิทานธรรมบทในมงคลที่ปณีอะไรบมนี้นะเราดูไว้รู้เรื่องราวของพอเบินมาของภาษาวก k หรือของอวสกวัติกาบางคนบอก อันนี้มันเป็นการประกรอบธรรมเทศนาเมื่อเรารู้เรื่องเราคนไดก่อนหากว่าได้มีโอกาสได้แสดงธรรมอย่างนี้มยายธรรมไปถึงเรื่องที่ควรจะยกเอาเรื่องของบุคคลมาเปรียบเทียบมาเป็นกำลังใจของผู้ฟังเราก็ยกออกมา <c oughs> เอนี้แหเหมือนรับประทานอาหารนะคนเราถ้าจะรับประทานเรื่แต่แกงถ้วยเดียวนั้นอเรื่องเดียวอย่างเดียวนั้นตลอดทุกวันทุกวันเบือ่อมันมันไม่ไหวมันจึงได้เปลี่ยนเรื่อยรสอาหารนะวันนี้ก็แกงอันนี้วันต่อไปก็แกงอย่างโน้นมีผัดมีอะไร แก้งจืดแก้งเผชดสลับกันไปอยู่นั่นการบริโภคอาหารจะค่อยมีรถมีชาติอันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ยการฟังธรรมในเหตุที่คำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่า เพื่อพระ อ, องค์ก็เพื่อปรับปรุงรดแข่งทรมันเทศนาให้มันเข้ากันกับผู้ฟังให้ได้ น, น, นีผู้ฟังทรรมอยู่ในระดับไหนเอาพระ อ, องค์ก็กำหนดเรื่องธรรมะที่จะแสดงให้เหมาะสมกับจิตใจของผู้ฟังว่าจะรับนับถือเอาได้ จะรับปฏิบตัติตามได้นำมาแสดงอย่างนี้แหละเช่นพระองค์แสดงเข่พิกสุรูปหนึ่งพิกสุรันบวชมาแล้วก็บวชกับหลวงลุงนี่ลุงของโตนเป็นอุปชาบวชแล้วก็ศึกษาเราเรียน ท ร, รมาวินัยกับหลวงลุงแล้วก็ได้กี่พรรษาก็ไม่รู้ทําไมบรรยายไว้แล้วก็ลาไปจำมรรษาที่อื่นกับเพื่อนภิกษุองค์หนึ่งออกพรรษาแล้วเขาถวายผ้าวันนี้ก็ได้ผ้าจีวรมาไอส่วนตนเองนี่นก็มีอยู่แล้วจะนึกถึงอุปชา เราจะเอาผ้าไปถวายอุปชาทันเมื่อเที่ยวไปหาอุปชาไปตามพบแล้วก็น้อมน้ำจีวรนั่นเข้าไปถวายอุปชาอุปชาไม่รับเพราะว่าตัวท่านเองก็มีพอใชายอยู่แล้วเธอนั่นแหละเอาไปใช้ซะ ผมก็มีอยู่แล้วผมจะขอถวายท่านพระอปุปชาเพื่อตอบบุญแทนคุณบูชาคุณอุชาก็ไม่ยอมรับถ้านอุปชานั้นเป็นพระอระหันต์เห็นเมื่อท่านอ้อนวนอนยางไงท่านก็ไม่รับแล้วก็บีบนวดให้ท่านนวดไปนวดมา ก็มานึกขึ้นในใจเอ๊ึนกน้อยใจเรานี่อบชาชของเราเนี่เป็นทั้งหลวงลุงเป็นทั้งอบราชเมื่อเราเคารพและถืออย่างนี้เราถวายทายทานท่านก็ไม่รับถ้าท่านไม่รับอย่างนี้เราจะเอาผ้านี้ไปขาย เลียวก็จะซึกไปเอาเงินเหล่านี้ไปซื้อแม่แพะมามาเลี้ยงแพะขายแพะได้เงินไปแต่งเมียได้เมียมาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ลูกคนหนึง่งเดียวก็จะพาเมียขึ้นนั่งเกวียนนั่งลอ้อนั่งเกวียนกับลูกคนเล็ก พามากราบอุปชา่าคิดไปถึงตรงที่นั่งร่อนั่งเกวียนมาผัดเปลี่ยนกันเมื่อถึงเวลาตนเองอุ้มลูกก็ให้เมียขับร้อเกวียนวันนี้ก็มานึกคิดไปว่าถ้าหากว่า ภรรยาเนี่ยมันเล่นไม่ซื่อต่อเราอ่เราก็จะเอากระตักนี่ตีหัวมันเลยเหมงอนนในขณะนั้ น, น, น, น, นท่านตรงนั้นถือพัดวีอุปชาอยู่ก็เอาพัดส่ไปตีลงที่ตัวท่านเพราะทานกำหนดรู้ของท่านเป็นพระอรหรันต ท่านมียานอย่างรู้อเอ๊ะมันเลือกอะไรอ่ะท่านก็รู้ได้ทันทีแล้วท่านก็พูดว่าอืเธอไม่ได้ตีหัวเมียของเราอ่าของเธอหรอกก็มาตีหัวเรานะออไอ้พระหนุ่ม้ก็สะดุ้งเลยบันนี้ตายท่านรู้ความคิดของเราแล้วก็เลยกระโดดหนีจากขั้นไปลงกุฏิไปพระเน่งก็ไล่าตามมาเนี้ จับได้อเอามาหาอุปชาอุปชาจึงพาไปาะองพระผู้เจ้าแล้วก็ไปทูลเรื่องราวที่เป็นมานั้นถวายพระุทธเจ้าพระุูธเจ้าจึงยกพาสิทธิ์นี่ขึ้นว่าดูรังกัมมังเอกะจรังอสริดังโวหาเสยยัง เยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารบันธนาซึ่งแปลเป็นใจความว่าปกติของจิตนี่มีดวงเดียวแต่มันเที่ยวไปไกลไม่มีรูปร่างมีท้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตใจของตนให้ดี ผู้นั้นจากคนจักบวงแห่งมารดังนี้เมื่อพระ อ, องค์แสดงธรรมบทนี้จบลงพระองค์นั้นก็ได้บรรลุโสดาปติผล น, นี่แหละอุบายที่ พ, พระพุทธเจ้าทรงสเคาะสัตว์โลกทั้งหลายตรงได้พิกแพงไปตาม กิริยาจิตของบุคคลนะบุคคลผู้นี้มีกิริยาจิตมันหมุนไปอย่างนี้อย่างนี้นี่พระองค์ก็ทรงตรัสภาสิทให้มันเข้ากับเรื่องกิริยาจิตของผู้นั่นเหมือนอย่างพิกสุน่มงค์นี้แหละแกปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปทั่วคงแต่งไปสร้างบ้านสร้างเรือนอะไร มีเมีย ม, มีลูกอะไรขึ้นมานูน่นองเจ้ายังตัตว่าจิตทัปกติของจิตนี่มีดวงเดียวนอกนั้นเป็นแต่อาการของจิตทั้งหมดแต่จิตแท้ๆเรามีดวงเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นเรียกว่าเจตสิกเจตสิกแปลว่าความคิดนั่นเองแหละ ถ้พูดง่ายๆมันคิดไปร้อยแปดพันอย่างอย่างนี้นะความคิดนั่นเยเป็นปุศณบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอพยกากตาธรรมเป็นกลางกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปปัง้งไอ้ความคิดนี่นะมันก็มีอย่างนี้แหละแต่มันมันมีจิตดวงเดียว แต่ความคิดมันมีเยอะแยอะอะขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําจิตดวงนี้ให้สงบลงไปได้แล้วเจตสิกคือความคิดเป็นไปร้อยแปดพันอย่างอันนั้นมันก็สงบลงอืเพราะว่าความคิดทั้งหลายมันเกิดจากจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่เกิดจากที่อื่น ดังนั้นนะให้พากันตั้งใจให้ค้นหาจิตดวงเดียวให้พบอืะมันจะพบได้ก็เพราะว่ามันวางอารมณ์ภายนอกวางความคิดข่มนึกต่างๆลงไปหมดไม่คิดส่งไปะอดีตอนาคตเพ่งอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียว พอจิตมันละอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้ออกไปหมดมันก็เหลือจิตดวงเดียวความรู้อันเดียวตั้งมั่นอยู่ภายในมีสติกากับอยู่เช่นนี้ก็รู้เลยแลว่าจิตจะมีดวงเดียววันนี้นะก็รู้ตัวเองก็รู้ตัวเองแหละโอ้จิตนี่มีดวงเดียวแท้ๆ อันที่เราพูดกันว่าจิตของฉันเราไม่อยู่หลุดแล่นไปโน่นแล่นไปนี่ อ, อ, อันนั้นเขาก็พูดกระถูกอยู่หรอกเพราะว่าจิตมันไม่สงบมันจึงว่ามันมีหลายดวงนั่นแหละมันคิดสานไปทั่วทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปได้แล้ว มันก็มีดวงเดียวเท่านั้นเองนั่นแหละความประสงค์ของการฝึกผลตนนะ่ะก็มุ่งหวังที่จะให้มีทำจิตได้เป็นจิตดวงเดียวเราถึงจะมีความสุขได้ถ้าทำจิตได้เป็นหลายดวงแล้วหาความสุขไม่ได้เลยตัวเองก็เกิดลาคาญ ในความคิดของตัวเองเพราะระงับความคิดเจ้าของไม่ได้แต่ความมุ่งหมายอยากสร้างงบอยากอยู่เฉยๆไม่อยากคิดไม่อยากให้มีความคิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาแต่หากไม่มีอุบายที่จะระงับความคิดอันนั้นได้ถึงจะไม่คิดไปไปทางบาปอากุศลมันก็เกิดลาคาญใจ นี่แต่ะการปล่อยจิตให้คิดสร้างไปทั่วเนี่ไม่มีความสุขมีแต่ความลมค้านใจจากนั้นนะพระพุทธ เ, เจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้เจริญอาณาปานสติอย่างที่เคยพูดมานั่นแหละตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออก มีวิธีเดียวเท่าเนี้ยที่ทําใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปวิธีอื่นไม่มีเส้นบริกรรมพุทโธอย่างนี้กระใจสงบลงไม่ได้ถ้ามาจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วพุทโธมันก็คุ่งออกไปข้างนอกนู่นเลมันจะไปอยู่ในปัจจุบันเลยมันเป็นยังไงจะคิดเรื่อง กรรมฐานอย่างอื่นใดก็เหมือนกันแหละคิดไม่เห็นดอกเพ่งไม่เห็นอ่าถ้าจิตนี่มันว่าวุ่นอยู่แล้วมันคิดไม่เห็นดังนั้นก่อนอื่นท่านจึงสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละก่อนให้จิตตรงนี้มันวางอารมณ์ภายนอกต่างๆมดมันสงบอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้ เราอยากจะเพ่งดูร่างกายส่วนไหนในละอวิยวะภายในนี่นะเพ่งดูตับก็เห็นตับเพ่งดูปอดก็เห็นปอดเพ่งดูโครงกระดูกก็เห็นโครงกระดูกเพ่งดูลำไส้ใหญ่ไส้น้อยเพ่งดูหัวใจก็เห็นหัวใจใหเห็นลำไส้ในใหญ่ไส้น้อย นึกถึงอวัยวะส่วนไหนอวัยวะส่วนนั้นก็ปรกกดถ้าหากว่าจิตมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอานาปานสตินี่การตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่จึงเป็นกรรมฐานประจำตัวของแต่ละคนเลยใครจะมีจริตยังไงก็ทั้ง ก็ต้องมากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละคนะเมื่อจิตสงบลงไว้แล้วจึงเพ่งกรรมาฐานแต่และอย่างสำหรับเป็นแก้จริตของตนนั่นะเช่นอย่างผู้มีโทสะจริตเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้นะเมื่อเพ่งอ า, าปาณสติใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วทีนั้นก็จึงค่อยเพ่งเมตตาธรรมแนี้นะ ดำริถึงความเมตตาทำไมมันจึงไปโกรธกันทำไมจึงไปแสดงความไม่พอใจให้คนโน้นให้คนนี้ให้ตัดตัวนั้นตัวนี้อย่างนี้ที่มันเป็นทั้งนั่นก็เพราะว่ามันมีความโกรธเป็นเชื้ออยู่ในหวัวใจเมื่อมีเวลามี รูปเสียงกยลิกกก่นอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาถ้าเป็นรูปที่ไม่พอใจมันก็โกรธ ถ, ถ้าเป็นรูปที่น่าพอใจมันก็รักคลายยินดีอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้ใดนึกถึงว่าจิตของตัวนี้มันประวัติไปในความรักของใคลมากเมื่อเมื่อทำจิตให้นิ่งลงไปได้อย่างว่าแล้ว ก็เพ่งร่างกายให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นอะไรตามสภาพของมันใช้อสุภะใิมิตน้มันปรากฏในใจในมันก็จิงย้อนถามตัวเองที่ไหนที่ว่าตนรักใครรูปนั้นมันสวยยังไงมันสวยหรือเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ เมื่อมันถามตนเองตนเองก็ตอบตัวเองได้ไม่มีสวยถ้าพูดตามความจริงแล้วเพราะว่าที่คอดูกันได้มีแต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในแล้วไม่มีอะไรสวยแมย้แต่น้อยเดียวเมื่อเป็นชนีดทำไมยังไปหลงรักหลงไข้นักหนาหลงรักของโสโคกปฏิกูล ไม่สมควรเลยทันเมื่อผูใ้ใดสอนใจของตนเข้าไปบ่อยอย่างนี้มันก็ใจมันก็เห็นชอบตามปัญญาเนี่ยจริงร่างกายของคนเรานี่อาศัยหนังหุ้มสิ่งโสโรกไว้เฉยเหมือนอย่างสวมอย่างนี้แหละสวมไทยดูรูปร่างภายนอกแล้ว สะอาดสะอ้านดีทำดีทาสงทาสีอะไรดีนี่คล้ายๆกับว่ามันสะอาดเต็มที่เลยอ ะ, อะส้วมนั่นน่ะแต่ถ้าเราเพ่งเข้าไปในหลุมนู้นแล้วไม่มีอะไรสะอาดซักหน่วยเดียวอร่างกายของเราเนี่ก็เป็นเช่นกับส้วมถ่ายนั่นแหละต้องพิจารณาดูให้เห็น ไม่มีอะไรหรอกที่จะสวยงามสะอาดสะอ้านนะมีกระแต่อย่างว่านั้นแหละไอ้ที่มันทำภายนอกนี่ก็เพา่กลบไม่ให้กินดันั้นพุ่งออกมาใส่จมูกของคนหรือเวลาไปถ่ายไม่อะไรต้องกลบไว้แต่โบราณนะ่ะไม่ไม่มีปัญญาที่จะทำหัวส้วมขังน้ำอย่างนี้ได้เลย ทำหลุมโล่งๆเออเราเข้าไปในช่วมนั่นน่ะมีกลิ่นเหมน็นเหม็นเท่าไรก็จำเป็นตรงในยอดทนเพราะว่ามันจำเป็นนี้เรื่อง ม, มนะันนั่นนี่เพราะนั่นน่ะกลิ่นของมนุษย์เรานี่นะอันนี้ตกมาสมัยวิทยาศาสตร์เขาจึงมาสร้างหัวช่วมที่มีน้ำขังเพื่อปิด กลิ่นเหม็อนอะไรไม่ให้มันฟุ่งออกมาใส่จมูกเวลาไปนั่งทายอย่างนี้นเนั้ออาศัยการปกปิดไว้เฉยๆนะนั่นแหละมันถึงไม่ส่งกลิ่นออกมาร่างกายคนเราก็เป็นอย่างนั้นเลยมีหนังอะไรปกปิดสิ่งโสโครก ต, ต่างๆกลิ่นต่างๆไว้ ไม่ให้มันปรากฏออกมาสู่สายตาของคนอื่นแต่คนเราเมื่อไว้ลาพิจารณาให้ละเอียดทีทอนท้วนนะเห็นตั้งแตผิวหนังน้อง น, อนี่ก็ว่าสวยว่างามเห็นรูปร่างลักษณะเข้าไปเท่านั้นก็ว่าสวยว่างามนี่อันเมื่อเพ่งเข้าไปถึงความจริงแล้ว มันจึงได้รู้ว่ามันไม่สวยไม่งามห่าเพ่งอยู่แต่ผิวนอกแล้วมันก็สวยงามตามสมมุตินั่นแหละไอ้เมื่อเราหลงอยู่ในโลกอันนี้ก็หลงรูปอันนี้แหละมากกว่าอย่างอื่นใดโกรธมันก็โกรดรูปอันนี้เพราะตาไม่เห็นรูปอันนี้นะออรูปบางอย่างมันแสดงออกหน้าเกลียดหน้าชัง รูปบางคนนะนนมันถึงโกรธถึงเกลียดขึ้นมาในใจนนนทีนี้ถ้าหากว่าผู้เจริญภาวนาเจริญปัญญาทำใจสงบระเพ่งตรวจดูร่างกายสังขารทุกส่วนให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเสมอๆไปแล้ว มันจึงได้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาใหม่แบบนี้ว่าเอาไว้ว่าร่างกายทุกส่วนไม่มีส่วนไหที่ควรจะรักจะชังเพราะเหตุว่ามันเป็นของโสโคกโศกโปกด้วยทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งไม่อยู่ในบังคับบัญชาอีกด้วยเราจะบังคับบัญชัยมันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่เที่ยงดังนั้นเนี่ย จึงไม่มีส่วนไหนในร่างกายอันนี้ที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราจริงจังไม่มีนั่นแหละผู้ภาวนาเกิดญาณความรู้ทาเป็นจริงขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็คลายคลายความรักคลายความชังออกไปจากคิดใจถ้ามันคลายไม่หมดทีเดียวมันก็ค่อยคลายไปทีละน้อยละน้อยไป มัเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยผู้ที่อินทรีย์บารมียังไม่แก่เต็มที่นะจะให้มันคลายออกหมดทีเดียวไม่ได้หรอกเราก็อบรมอินทรีย์ไปแล้วก็คลายไปทีละน้อยละน้อยไปอบรมปัญญอินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาแก่กล้าขึ้นนีนน่อบรมสมาธิอินชีอินทรีย์คือสมาธิ ให้หนักแน่นให้แก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้แหละอบรมสตินซีอินชีคือสติให้แก่กล้าโดยหมันนึกเข้ามาดูกายดูใจเสม อ, อสตินี่นะไม่นึกไปทางอื่นให้มากอินชีนี่แหละสำคัญน ะ, ะวิริยินชีความเพียร ถ้าบ่คคลขาดความเพียรแล้วไอ้คุณธรรมมัอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นปัญญชีเส้นปัญญานี่ก็เกิดไม่ได้ถ้าขาดความเพียรพยายามเพ่งพินิษตยอยู่เสมอเสมออย่างนี้นะแล้วปัญญรีนี่ก็ไม่เกิดขึ้นได้นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะสัตทินรียก็สําคัญน่ะ อินทรีย์คือศรัทธาถ้าความเชื่อนี่มันอ่อนแอลงแล้วความเพียรก็อ่อนไปตามกันหมดสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนเนี่ยทำทั้งห้ายอย่างนี้มันเนื่องถึงกันหมดเลยท่อยที่ท้อยก็อาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละรู้ม่าศรัทธานี่มันจะเป็นเบื้องต้นอศรัทธานี่นะ เพราะว่าเมื่อศรัทธาไม่เกิดแล้วความเพียรมันก็ไม่ไม่มีอย่างว่านะที่เช่นเชื่อว่าทําดีแล้วดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนี้นะแล้วก็เชื่อว่าในใจของตัวนี้ยังละ ก, กิเลสไม่หมดอยังจําเป็นต้องเพียรละ ก, กิเลสถ้าไม่เพียรภาเพียรไม่ยามละ ก, กิเลสก็พ้นทุกไปไม่ได้ ไอความเชื่ออย่างนี้นะเมื่อมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความเพียร น, นะอันนี้มา น, นึกว่าตนอยู่ทุกอันนี้ก็พออยู่แล้วสบายอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องไปทำความเพียรอะไรต่อไปอีกอนี่ให้เข้าใจแท้ที่จริงแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดจากการกระทําทั้งนั้น ลวงความลงแล้วนะความเพียนก็คือการกระทำนั่นเองเนี่เหมือนอย่างงานภายนอกนะทำนาทำสวนทำการค้าขายอะไรนี่กวจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละเบีย้ยมันก็ต้องทำงานนะไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียนไม่ถอยมันก็ในที่สุด ถึงเวลามันให้ผลการงานอะ้รมันก็ให้ผลขึ้นมาอย่างทาสวนเนี่ยปลูกฝังพืชพันธุ์ลงแล้วเอาเพียนพยายามรักษาหญ้ารักษาศัตรูพืชเพียนพยายามใส่ปุ๋ยรดน้ําไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างเงี้ยต้นพืชเหล่านั้นมันไม่มีศัตรูมาเบียดเบียนแล้วมันมีอาหารหล่อเลี้ยงลําต้นหองมนเพียงพอ่อ มันก็จเจริญ ง, งอกงามขึ้นเต็มที่ถึงการเวลามันก็ผลิดอกออกผลให้เจ้าของนี่เป็นอย่างนั้นมันเกิดจากความเพียรของมนุษย์ทั้งนั้นเลยสมบัติต่างๆในโลกอันนี้เนะี่ที่นี่หมู่มนุษย์ส่วนมากมันภาคเพียรไม่ยามสเสวนหาแต่สมบัติภายนอกสมบัติภายในไม่ไม่สน นี่ขาดอันนี้เรื่องมานะ่ะท่านเอาไปอดทนภาคเพียรก็อดทนตั้งแต่หาแต่เงินแต่ทองเพียรพยายามหาแต่เงินได้ทองเพียรพยายามหาแต่ลาบแต่ยศชื่อเสียงต่างๆอง น, นะอันจะมาภาคเพียรพยายามโน้มเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจ นอมสร้างธรรมาให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี่คนส่วนมากไม่ค่อยทํากัน น, นี่นะเหตดังนั้นมันจึงนานพ้นทุกนันเนี่ยมมีคนหมู่น้อยที่ภาคเพียรพยายามสร้างทํามให้เกิดขึ้นในใจอย่างที่แสดงมาแล้วนะนะั่นสร้างศรัทธาความเชื่อให้เกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะว่าเราเชื่อไหมว่า พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละกิเลสได้จริงๆอ่ะละกิเลสหมดจริงๆอย่างนี้เชื่อไหมอย่างนี้นะถามตัวเองดูอ่ะถ้าตนเองเชื่อก็มันก็ตอบตัวเองว่าเชื่อเชื่อรอยเป็นเส้เดียว อ, ะ อ, อ่ะอ่อมีอะไรเป็นหลักฐานพยานว่าพระพุทธเจ้านั้นละอาสวะกิเลสได้หมดจริงๆ ก็มีพระธรรมคำสอนของพระองค์มีพระสงฆ์ผู้ปวดตามผู้ปฏิบัติตามพระองค์นั่นเป็นสักขีพยานบรรดานักป่าทั้งหลายในโลกนี้น่ะที่จะไปแสดงความคิดความเห็นทางธรรมให้ลึกซึ้งละเอียดทุกขุมเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเลยไม่มีเลย ไม่มีในโลกนี้นะไปดูสิตาราใดๆก็ดีไม่มีถ้าหากว่าพระองค์ละกิเลสไม่ขาดหมดอย่างนั้นเนะ่ะพระองค์จะไม่รู้ธรรมะละเอียดแล้วอเลยแล้วก็พระองค์ก็คงจะหวนกลับไปสเวสวยรัตสมบัติอีกถึงบวชแล้วก็ดีถ้าหากว่าพระองค์ละกิเลสไม่ได้อย่างนั้น อันนี้ก็เป็นสักขีพยานอันนึงเพราะพระองค์ยังหนุ่มแน่นี่ตอนเสด็จออกบวชก็อายุเพียงยี่สิบเก้าปีเท่านั้นเองอนนเพอภาคเพียนพยายามไปหกปีพอรีพระชนมายุก็สามสิบห้าปีก็ได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าคนในโลกและอย่างนี้พระองค์ยังไม่หวนกลับไปหา ราชสมบัติต่างๆตั้งแต่ตอนที่ภาคเสียมยามแสวงหาทางสัตรู้อยู่โน่นนะหาทางสัตรู้แสนยากแสนลำบากตั้งหกปีถ้หาหากว่าอินทร์บา ร, รมีของพระองค์ไม่เต็มบริบูรณ์จริงๆเนี่ยคงจะท้อพไทยคงจะหวนกลับไปเสวยราชสมบัติเป็นพระราชา มหากรสัตย์ตามเดิมต่นี่ถึงจะสวยงยหาทางจตุรูด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ไม่ย่อท้อปีที่หกก็ธรรมะบา ร, รมีที่พงค์เลส่งสมสั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติกลมาดนบันดาลให้พระองค์ได้รู้หนทางสายกลางได้ แต่ก่อนนั้นพระองค์ดำเนินไม่ถูกทางสายกลางมักจะลำเอียงไปทางอาัตตะกิมุธานุโยกนั้นมากกว่าการมาสุขขันธ์แลาการนุโยกธรรมาณพระองค์เกินขอบเขตอดนอนผ่อนอาหารอะไรต่ออะไรเข้าใจว่าพระองค์คง บำเพ็ญแบบนี้มานานนะแต่ว่าหากไม่ไม่ถึงขนาดเท่านอกอันปีแรกไปหาปีที่ห้าหมรนี้ก็คงทรมาน พ, พระองค์พอสมควรแต่ปีที่หกนั้นแหละพระองค์เอาจริงๆอดนอนผ่อนอาหารจนยังเหลืออยู่เท่ า, มาเมล็ด ง, งานในตำราทั้งเก่าไว้หมายความว่า วันหนึ่งฉันเท่ า, มาเมล็ดงานนี่เท่านั้นเนี่ยคราวนี้ร่างกายมันกระตุกผอมลงอืขนอะไรก็หล่นร่วงขนตามตัวตามอะไรพวกนี้ก็ร่วงหล่น ล, ลงไปเพราะมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยง น, นยแต่พระ อ, องค์เจ้าทรง เปล่งอุทานว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วนะเหตุที่พระองค์สแสวงหาทางตรัสรู้ได้แสนยากนี่พกกรรมวิบากที่พระองค์ได้ทำมาแต่ทาวเป็นทิษสาปาโมกอาจารย์ชาติหนึ่งสอนศิลปวิทยาให้กุ ม, มารห้าร้อยพานักศึกษาไปเที่ยวในป่าไปเห็นพเรือสีบินทะบตรออกจากหมู่บ้านมา ก็ไปว่าให้พลือสีเสียเสียหายว่าพลือสีนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ดีผู้ดีอะไรไม่ใช่จะมีคุณธรรมสูงส่งอะไรบิณฑบาตมาจากชาวบ้านธรรมาชาตินกนอนหาแต่ความสนุกสนานเอาเปรียบชาวบ้านนักปวดเช่นนี้นะมสมควรจะฉันแต่เข้าแดงแกง ท่มพระ อ, อุมนั่นแหละควรจะนุ่งใบไม้แทนผ้านุ่งระอหคมของชาวบ้านอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะแล้วกร ม, มานั่นแหละติดสอยห้อยตามพระ อ, องค์ไม่ลดละว่างั้นเนี่ยมเมื่อพระ อ, องค์เสด็จออกบวชแล้วกมนั้นก็ไปตามถนอง ะกัดกั้นมาให้พระองค์เจ้ารู้จักหนทางจัดสุสมัสมมาสโพธิญาณพระองค์ทรงสแสดงอดีตชาติทนหลังของพระองค์ให้ภิกษุกทั้งหลายฟังวันนี้เมื่อกรเนิมันหมดลงจึงได้เกิดธรรมนิมิตขึ้นมาปรากฏเป็นพินสามสายแต่ในตำราท่านไม่ได้กล่าวว่า เห็นรูปร่างของคนมาดีดให้ฟังหรือไม่ก็ไม่ว่าเพียงแต่ว่าปรากฏเป็นพินสามสายสายที่แรกดีดทีเดียวว่ดขาดเลยเพราะมันเคร่งเกินไปสายที่สองยานเกินไปดีดก็ไม่ดังไพเราะสายที่สามนี่ไม่เคร่งไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าไปเสียง ก, ดดงกง็ดังไพเราะเพราะพิงอืมดีอย่างนี้แหละ พระองค์เจ้าจึงมากําหนดติมิตรอนันตพิจารณาเทียบกับการปฏิบัติของพระ อ, องค์เท่าที่พระ อ, องค์บําเพ็ญทุกรกิริยาอยู่นี่เปรียบได้กับพินสายที่แรกมันเคร่งเกินไปถ้าหากว่าไม่ไม่ละความเพียรอันเขร่งเกินประมาณนี้จะตายเสียเปล่าจะไม่ได้ตัดสู้ธรรมาสมาธิญานนี่นเวงั้น สายที่สองยานเกินไปดีดแล้วก็ไม่ดังภพเราะอันนี้เปรียบได้กับบุคคลผู้ยินดีในการมคุณหมายความว่าร่างกายนั้นภาคจากการมคุณมาแล้วมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ในป่าทำจิตใจสงบลงไม่ได้ใจก็ประวัติคิดปรุงแต่งไปตั้งแต่การมาสุขสมบัติในบ้านในช่อง ไปนู่นอย่างนี้ผู้เะนันต์แม้จะทำความเพียรอย่างแรงกลาก้าขนาดไหนก็ไม่สามารถจะตัดสูุมรรคผลนิพพานได้เหมือนอย่างพินสายมัญญานผู้บริโภค ก, กรร ม, มณรรคความประพฤติมันหย่อนยานไม่เข่งคลัดต่อสินต่อธรรมหมายก็วา่าอย่างนั้นก็ไม่มีทางทจะได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาด สายที่สามนั้นไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าออเสียงดังภพเราะก็พิงดีนั่นเปรียบได้กับที่ทางสายกลางคือการปฏิบัติฝึกตนนี่นะให้มันพอดีพอดอีการบริโภคอาหารกับพอประมาณอย่าให้มากอย่าให้มากเกินไปอย่าให้หน้อยเกินไป การนอนก็อย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนี่นะให้พอพักผ่อนร่างกายพอสมควรวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงแต่คืนหนึ่งอ่ะสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วอย่างนี้การพูดการจาการทำอะไรกับให้มันพอดีพอดีเรียกว่า เว้นจากการกระทําความชั่วต่างๆทางกายก็ดีทางวาจา ก, ก็ดีเมื่อเว้นจากการกระทําความชั่ว5อย่างดังที่เคยพูดมาบ่อยมีปนานาจิบาตเป็นต้นโมนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นความประพฤติดาเนินทางสายกลางด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจออพระองค์เจ้ารู้ แนวทางสายกลางอย่างนี้แล้วก็จึงได้งดการทำทุกขระกิริยาขั้นสุดท้ายนี้กั้นลมหายใจเข้าออกนี่เนี่ยก็ไม่ได้ตัดรูนี่เนี่ยจะได้เกิดนิมิตมาบอกแต่พระองค์ก็คลายความเพียรเหล่านั้นบินถบาตมาฉันให้ร่างกายเป็นปกติแล้ว พอดีก็เดือนหกเพนมาถึงเข้าก็องค์ก็จึงได้ําเนินทางสายกลางทำจิตใจเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วอยู่บ่อยๆนั่นแหละในที่สุดก็ได้ตัดตรุ้สมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละสักขีพยานไอ้ที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์ได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าละสิ้นกิเลสจริงๆเพราะเรารู้ได้โดยธรรมเทศนาเมื่อผู้ได้ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วบางท่านมีบา ร, รมีแก่กล้าเต็มบริบูรณ์มาแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลทันทีแล้วขอบวชเลยอันนี้ก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่ง ว่าพระองค์ได้สัสร้ถ้าพระองค์ไม่สัสร้ไปแสดงธรรมผู้อื่นฟังผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะสัสรู้ตามได้แต่วางพวกบางท่านก็ฟังธรรมะรู้ข้อปฏิบัติแล้วก็ลงมือปรพฤปฏิบัติไปบางท่านก็ไม่นานได้สำเร็จอรหรันหรือสาเร็จโสดาชกิตาะคาาคาตามวาสนาของตน แต่บางแกพว ก, ก็ปฏิบัติไปนานจนเท่าจนแกกวัวจะได้บรรลุมรคนในขั้นต้นเป็นโสดาเป็นต้นไปมันตามกำลังว่าสนาบา ร, รมีของคนเพราะว่าคนเรามันสร้างบุญบา ร, รมีมาไม่เท่าเทียมกันนี่บางคนก็สร้างมามากแล้วใกล้จะเต็มแล้วก็มี บางครูก็สร้างมาจนเต็มแล้วถึงเต็มแล้วก็ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมคาสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนก็บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เลยอิบารมีของพระสาวากเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ภาคเพียนแสวงหาทางตรัสรู้โดยลําพังพระองค์เองพระองค์ตรัสรู้แจ้งได้โดยลําพังพระองค์เอง ไม่มีใครมาแนะนําสั่งสอนในในโลอุตตรธรรมเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้ากรดีเรื่องภาษาวกทั้งหลายมาอย่างนี้เราก็จะเกิดความรู้พิสดารขึ้นความรู้กว้างขวางขึ้นก็จะมาพิจารณาดูพระนิสัยของตนได้แบบนี้นะ อตอนนั้นมีนอุปนิสัยวาสนาแก่กล้าอย่างไรบ้างหรือว่าอุปนิสัยอ่อนแอยังไงมันก็รู้เรื่องของตัวเองได้แบบ น, นี้นะเนี่ยเมื่อรู้ว่าตนนั้นยังมีวาสนาที่ใสยังอ่อนโยงอย่างนี้ก็ภาคเขียนพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย อ, อย่างนี้แหละ เออเราเนี่บุญบารมีวาทนาอย่างอ่อนอยู่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่เอาละเราจะเริ่มทําความเชื่อให้มันแก่กล้าขึ้น เ, เมื่อเรื่องใดที่มันยังความเชื่อมันยังไม่เพียงพอก็อพยายามใช้ปัญญาซอนใจให้มันเชื่อมั่นลงไปเชามอนยังเชื่อมั่นในศีลยังไม่เพียงพอ อ, อย่างนี้นะ อ, อมันยังไม่ค่อยเอาใจใส่ในการรักษาศีลเท่าไหร่ ไม่มีสติสติก็ห่างบางทีทําผิดไปแล้วจึงรู้ตัวก็มีอย่างโมนี้นะนั่นเราเรียกว่าความเชื่อมันไม่เข้มแข็งอถ้าความเชื่อมันแรงกล้าแล้ววะนี่มันก็มีสติสมบัติที่นี่อยู่เสมอเรามาระวังมือเท้าเรามาระวังคําพูดคําจากลัวมันจะผิดศีลผิดธรรม ี่ต้องระวังอยู่เสมอทำอะไรพูดอะไรเขคาคอยระวังอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดแบบนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้อินซีมันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆไปเขาเรากันนี่เรากันความชั่วออกไว้แล้ววันนี้ทาอะไรพูดอะไรก็มีแต่ดีๆไปเรื่อยๆไปการทำดีพูดดีนั่นแหละมันทำให้อินรีมันแก่กล้าขึ้น เดี๋ยวว่าทาให้ความดีมันมากขึ้นเอให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าทําดีไปนอนผิดเผลอไปทําชั่วเข้าไประยะหนึ่งอย่างนี้นะอมันก็ทําให้ขาดการกระทาความดีแล้วในระยะนั้น่ะความชั่ว เ, เกิดขึ้นมันเป็นอางนั้นเห็ได้อินทรีย์มันจึงค่อยแก่กล้าไม่ได้ง่ายๆ มันก็เพราะว่าเผลอไปสะสมกรรมชั่วเข้าใส่ไว้อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจความหมายของการว่าทำความเพียรหรือว่ามีสติสมัมปชัญญะนี่นะคอยระมัดระวังไม่ให้ตนเผลอไปทำชั่วผู้ชั่วนะนะอ น, นุผิดศินผิดศีล ด, ด้วยแล้วก็ผิดธรรมด้วย ไม่ใช่ว่าจะผิดศิลอย่างเดียวนะามก็ผิดเช่นอย่างว่าไอศิลป น, นี่มันจำกัดลงเพียงแค่ว่าอย่างว่าไปฆ่าตัดอย่างนี้นะถ้าไปเจตนาฆ่ามันตายลงไปจริงๆเนี่ยศิลนั่นจึงขาดอย่างนี้นะถ้าหากว่าเพียงจะว่า ไปแสดงกิริยาหยาบคายอะไรต่อสัตว์ต่อคนไปอย่างเนี้ยไม่สัมรวมพูดจาอะไรก็ไม่สัมรวมระวังแต่ว่าไม่ถึงกับผิดศีลอย่างงี้มันก็ผิดธรรมเลยวันนี้นะะผิดธรรมข้อไหนข้อขันติโสรจะจักขาดความอดทนนั่นแหละไม่อดทนเวลาที่เรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาเนี่ยก็ฉุนเฉียวขึ้นในใจแล้วก็ สแสดงออกร่างกายทางวาจาออกไปแต่ไม่ถึงกับให้ศีลขาดแต่ผิดธรรมนี่มันเป็นอย่างนั้นได้เข้าใจเมื่อใจมันสุนเฉียขึ้นมาแล้วอดลนทนไม่ไหวมันก็สแสดงกิริยาไม่ดีไม่งามออกไปนั่นเรียกว่าขาดโสรจะความสงบสังเวย ม, มตามธรรมาเมื่อจิตยังไม่สุนเฉียวอะไรเนี่ย กิริยามาลายาอะไรก็ดีทางนั้นแหละพูดจาปราสัยอะไรก็ อ, อ่อนโยนอ่อนน้อมกิริยาทางกายก็อ่อนโยนเป็นปกติพันเวลาที่จิตใจได้รับรู้อารมณ์ที่ไม่น่าพาใอใจยังตามสุนเสียวขึ้นมาแล้วมันระงับไปอยู่กว่า น, นี้นั่นแหละมันจึงระเบิดออกมาทางกายวาจา เสียความสงบสงเฉยมเสียความอดความทนไปนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคาว่าผิดศีลผิดธรรมไม่ใช่อันเดียวกันนะมันคนละลักษณะกันผิดศีล น, นั้นตั้งเจตนาละเม่ดจริงๆข้อที่พระองค์บัญญัติ่ามไว้มันถึงผิดศีลแบบ น, นี้นะศีลย่งขาดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> จึงจำเป็ น, นต้องสนใจในการฟังในการดูตลอดตำราในการท่องบนจดจำเอาข้ออัดข้อทรรมที่สำคัญสำคัญนั่นผู้ใดดูธรรมะไปครบข้อธรรมะอันใดอันสำคัญสำคั ญ, คญมันดูที่เสรจมัจำไม่ได้ท่องเอาข้อวินัยก็เหมือนกัน ข้อใดสําคัญสาคัญมันจําไม่ค่อยได้ก็ท่องเอาอือย่างการแสดงอาบัตอะไรพวกนี้นะก็ต้องศึกษาพู้บวชเข้ามาใหม่เนะต้องศึกษากับผู้ที่บวชมาก่อนอแสดงอาบัตินี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเออ แสดงความผิดของตอนต่อหน้าเพื่อนพิษุรูปหยรูปหนึ่งเมื่อตอนได้ล่วงสิขาบทในสิขาบทหนึ่งมาเช่นนี้อย่าไปปิดบังไว้เหตุ น, นักกรแสดงอาบัตจึงค่อยระบุชื่อของอาบัตที่ตนต้องสะกอนระบุวัตถุคือว่าผมขอแสดงอาบัตต่อท่านเนื่องจากว่าผมได้ ขุดดินอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าได้ตบยุงให้ตายได้เผอไปตบยุงให้ตายอย่างนี้นะเราไม่ต้องผิดบังไม่ต้องละอายต้องวัดระบุบวัตถุกออกมาเลยเพื่อความบริสุทธิ์ต่อไปเมื่อเราเราแจ้งไอ้ความผิดของตนให้เพื่อนผู้รับอาบแสดงอาวัตาน แล้วอย่างนี้เราจึงคอยว่าคําบาลีต่อไปให้ท่านผู้รับอาบัตินั้นได้รับรู้ว่าท่านองค์นี้ได้ต้องอาบัติอ น, นันอย่างนั้นอย่างนี้นะมันมันจึงแจ่มแจ้งดีแล้วก็มันก็แสดงอาบัตินั้นก็ตกเรียกว่าโทษไม่มีโทษก็หมดไป น, นี่ตรงให้เข้าใจนะแต่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้น่ะ ไม่ระบุความผิดเลยอขอเริ่มเข้ากับแสดงอาบัตสัมหูรานาวนาัตถุ ก, กาไปหมดเลยต้องหมดถ้าตามคำแปลนะอาบัตรปจิตีมีเท่าไหร่ต้องหมดสแสดงหมดเลยนี่ไออย่างนี้เราว่ามันมันพิจารณาดูแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ถูก อ, ะอ่ะ ดังนั้นก็ต้องทบทวนดูก่อนจะแจกอาบัตเอ๊ะเรามันต้องอาบัตอะไรบ้างอย่างนี้นะอ่ถ้าหากว่าสงสัยอย่างนี้ก็บอกรตรงๆเลยบอกเพื่อนผู้รับอาบัตถ้าผมสงสัยว่าผมจะต้องอาบัตอันนั้นนะเอ่อขมือสงสัยแล้วนี่ท่านก็ปรับอาบัตทุกกฎ ถ้าเพียงสงสัยเราก็แสดงอาบัตทุกข์กดอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่สงสัยว่าผมได้ต้องอาบัติข้อนั้นจริงได้ทําอย่างนั้นจริงนี่ึงแสดงสว่าต้องอาบัตรปรจิตรีอย่างนี้ยพราะขุดดินอย่างนี้หรือเพราะตบตัดให้ตายอย่างนี้นะแล้วก็แสดงอาบัาปรจิตรีโดยตรงอออถ้าหากว่าขุดดินก็ขุดฟันไม้ก็ขุด ควันควันไม่ถดนะไม่ยืนต้นอยู่ไม่นั่นแหละแล้วก็ฆ่าสัตว์ก็ฆ่าอย่างนี้นะมันหลายตัวอย่างนี้ท่านเรียกว่าต้องอวบหลายตัวต่างวัตถุกันทำแสดงแล้วก็ว่าอะหังพันเตสโมหูลานานาวัตถุกายโยปาจิติยาโยอปติโยอปโนตาปฏิเดเสมิ อย่างนี้แหละถ้าว่าต้องอาบัตตัวเดียวเพียงแต่ว่าตกยุงบสมมตินะตกยุงหลงเผลไปตกยุงให้ตายตัวหนึ่งอย่างนี้นะเราแสดงอาบัตก็รู้ว่าอหังพันเตเอคังปาจิตติยังอาปติงอาปันโนตังปฏิเดเสมิข้าพรเจ้าต้องอาบัตปจิตติตัวเดียวนี่ขอแสดงต่อท่าน อย่างนี้นะขอท่านจงรับรู้ไว้อื <c oughs> เราต้องศึกษาให้เข้าใจมันตลอดอย่างนี้นะการแสดงอาบัติเนะมื่อต้องอาบัตหลายตัวหลายตัวอย่างหนึ่งหลายครั้งอย่างหนึ่งนะถ้าหลายครั้งเลยไหมก็ตัวเดียวหลายครั้งเช่นขุดดินอย่างนี้นะขุด ลงไปทีหนึ่งก็เป็นอาบัตตัวหนึ่งสองทีก็สองตัวสามทีก็สามตัวเป็นอาบัตปจิตตีนั่นแหละแต่ว่ามันหลายตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อแสดงอาบัตเขาบอกว่าข้าพเจ้าขอแสดงอาบัตปัจจิตตีต่อท่านเพราะข้าพเจ้าขุดดินหลายทีอย่างนี้นะเมื่อคําแสดงเลว่าอาหังปเตสมาหูล า, านานานไม่ต้องว่าบันนี้นะเพราะมันวัตถุเดียวกัน อาหังฟันเตสัมูลาปาจิตาา ต, ติโยอาปาจิตติยาโยอาปติโยอาปโนตาปฏิเดเสมิอย่างนี้นี่การสแสดงอาบัตนะเราต้องศึกษาเข้าใจอย่างนี้อาบัตทุกกดหัวนั่นนะ่ะต้องดูในเสกียวัตทํายังไงยังไงเป็นอาบัตทุกกดนี่ต้องดูเลยผู้บวชเข้ามาแล้วนะ อย่าไปเมินเถยนะเมื่อไมเมินเฉยเราตนต้องเอาบทไปไม่รู้ตัวก็มีอย่างนี้เราก็บวชอยู่ด้วยความเศร้าหมองมันก็ไม่มีอานิสงส์อะไรมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราเห็นว่าพรหมจรรย์ น, นี้นะเหมาะสมกับเราแล้วเราเราต้องมีชีวิตอยู่กับพรหมจรรย์ น, นี้แลอย่างนี้แล้วเราต้องศึกษาทำให้ได้ให้ละเอียดแล้วออกเข้าไป อันใดที่ตนคิดพิจารณาไม่ออกจำไว้ก็ถามอุปชาอาจารย์หรือผู้รู้ต่างๆอย่างนี้นะให้ท่านชี้แจงให้ฟังเท่าที่อยู่มานี่ไม่ไม่ค่อยมีการไถ่าถามอะไรกันขอ้อข้องใจอะไรก็ไม่ค่อยมีนี่แสดงว่ามันไม่ได้พ้นใจ ถ้าสนใจจริงๆมันต้องมีแหละข้อคล้องใจที่คิดไปออกอธิบายไม่ได้ข้อทำข้อวินัยนะมันต้องมีเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเตือนให้ไปดูไปคิดไปอ่านกันนะต่อไปนี้อย่าไปนิ่งนอนใจนี่แหละนอกจากการภาวนาทำใจให้ส ง, งบลงไปการเจริญปัญญาปรานะิศนาแล้วเราก็มา ดูธหลอกตำรลามาคิดวิจารณธรรมวินัยให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในอั ป, ปม า, าทธรรมคือความไม่ประมาทก็จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยนี่จกเตียงลงเพียงท่านี้